ตเองบู้ใดท่านไม่จะได้กินอย่างไรอาจารย์พลว่าตัวเองท่านจะเขาเหนียวอาจจะไปหาเลียวหาแจวจะได้กินอย่างไอวัดมันสวรรค์ไกลๆได้อาจาร์ พ, พว่าผู้ใดทำบุญอันใดได้ได้รับอ น, นันต่ออาจารย์พลว่าหลวงปู่สิงห์ทองเพิ่นบอกให้หลวงพอ่อหลวงพอ่อยังจาบนเรือมอยู่เั้งหลวงพ่อเป็นเน่นหน่อยว่เราไปเออแมอนอิริโต้เนี่อวัดนี่คือสวรรค์ไกลๆวันนั้ไป การผู้ใดทำบุญอะไรใดก็ได้ได้อันนตหมดไปอย่างนั้นยังโกเลี้ยงไงโกเลี้ยงพ่อตายไปแล้วเป็นหมด่ะว่าใดทำบุญทำท่านเนี่ยพ่อตายไปแล้วบานนี้ไปหอดบ่งจิกขืนชาล่าชาลาไอ้ชาลาตัดสินนี่ยชาลาพันหองน่ยบานนี้เขาก็เลยปล่อยพันนวนไปไปโกเลี้ยงไปคบข่าสมาคบกูไปถ้าได้ยินเสียงย่อมคอยขึ่นชาลาพันหองเนียอาจารเนี่เขาจูปกาดรกาจารย์นี่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 ทางพวกนั่นเขาก็ตอบว่าถ้ายกนั่นเขาบอกโอ้อันนี้มันมันว่เป็นเมือกมนุษย์เลยกูเหลืยงวะแ่นี้อันนี้เป็นเมืองผีวะแต่เน้เออเป็นเมืองอีกพบนึงอีกขั้นโบราระดรรบุญไวในอดีตจะไปเป็นคลวัดเนี่ยมันบไรเด้วะแต่น้เลยเออกว่าว่ากันวะแต่เนี้กจะกินก็กินได้เนี่ยอะไรกินแม่ว่เนี้ยกินนดะ่นบหวบหามได้ว่้พอมที่จะให้กินแต่มันกินวัไรด้แต่เ้ของไผของมันเด้มา เออปลาโลกแล้ววันนทางกูเลี้ยงโอ้ยตีไงก็อ้วกขอเก่งโดยเธออ้วกหิวระเกินวันไหนบารนี่นก็ไปจับน้ำก่อ น, น่งวจะกินน้สนนนาสกนพ่อจับะโอ้ยพ่อจับพ่อปันจับขี่ทันไฟก่อนหงไปจับทานไฟแดงๆ่นาดโอกยวาววางเมื่อแล้วหนึ่งไปบาร์นี่นก็ไปเห็นไปเห็นถวยอกบาเนี่ยโอ้ยขอเก่งเออถั่วเออแล้ววันไหนพ่อไปจับถัวยอกถั่วยออนใหม่มืออีกบาเนี่ย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 ว่าถ้าแล้วก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอ่มาเน๊อสันเนยถามมันตาเออไปง่โคเลี้ยงมาันเนยไปจากไหนว่าจากไหนเนี่ยมาสันเนยเพิ่งก็เปิดแฟมแล้ววันไปเปิดแฟมปบปบปบปบปบเอะเชื่อว่าง่ายมาสันเนยนายโเลี้ยงก็าบอกว่าผมซื้อจริงสิครับพญายมพบานบอกว่าฮะสันเนยเอาคนผิดแล้วเนี่ยเฮียถามไปอีกฮะไม่ได้เนี่ยเราเอาคนผิดสัน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 เกาะขีตะแลวมันก็เลยพักอ๋อตู้เหลียงเลยวันออกไปตู้เหลียงก็มุดลงไปในในโค้งควายเอาเนาะไปเอ่ยงโคนในโค้งควายมิดติงๆบาดเนี่ยกูอยู่ใสเนี่ยจาเน่บาดท้าแล้วพ่อนี่ยก็หายไปเลยวันออกไปโกเลียงเนี่กิดเม็ดรถยนต์บาดท้าแล้วมันบอกเปนโค้งควายนมันเขาโค้งกระดูกจของใ็่ได้บาดเนี่อโกเลียงตายแตงแต่ต่อนใบหมื่ว่านเนี่ยไป ตอนเนี้ยมือเศร้านี่ยพระกรสันจังหันมาเลี้ยงพระเนี้ยมือเศร้านะไปพอเลี้ยงพระเซเรียบลอยพระกัให้สินให้พ่อนะ่ะพระ ก, ะกบบระกลับวัดพ่อสะกรับวัดนน่ะแหละพวกญาติพีนกก่น้องกำลังสะเลี้ยงกันวันไปพ่อสิเลี้ยงกั น, นเนี่ยตอนใบเนี่ยเขาบอกโอ๊ะกูเลี้ยงมันยังอ่อนอยู่นนท่านนี่สมัยนันเขาก็บก่มียายาโฟมาลินนี่เมนบละเขาก็บริสิทธิยาเออเขาก็เห็นกูเลี้ยงยังอ่อนอยู่เขาก็เลยเอาผ่าขาวห้องเลยก็มัดตาสางังนะมัดแข้ง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 ไปเอาน้าเ ม, มาเลยต้มนำอุ่นมากพ่ออ่นๆใส่สัสมรี่เอาน้ไปหยอดเคาปาก ห, หยอดเคาปากโกเลียงบอกว่าพ่อน้าหอดข้อนั่นน่ะเออพ่อน้าหอดข้อรู้สึกมีแห้งเหี่ยวเหมือนตาเมาเลยวันนะัปนออโกเลียงเหมือนตา เ, เป็นไงว่านน้ยังปากโออนะปอ่ะเนี่ยโนี่ไปต้มเขาอีกต้มเขามากกกอกเขาปากอีกเมื่อเขาไปเกือบถวยวันนั้นไปพราะภูเขามัน มันโบท่านมีอีอย่างเนี้ยมันยังแข็งแรงอยู่เ้มันมีแต่พยายมกไปซื้อวันไรพอในุก็เลยว่าวไรบ่เนพอว้าวปับปับปเนเราไปบอกออกเสียงมันเฝ้ากันออกไปมิจังว่าแ่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเฝ้าถามจเฝ้าถามว่าแ่เดี๋ยวสีเฝ้าทีเดียวรดอกว่า่นีสเ้าหอยฟางเนี่สีเ้าหอยฟางว่าแ่ไปเห็นจังไดนว่าแ่นบาดาแล้วก็เลยฝนก็ได้ไปว่าเออ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 ว่าเขาเอื่อนซื้อผิดว่าสันนีเออเอื่อนซื้อผิดเขาก็ได้นั่มาส่งว่าสันมาส่งเขาก็หมดหยัดหัวกบโค้งกระดูกควายแล้วสันเออจะมันโค้งกระดูกควายคือโค mm ้งกระดูกเจ้าของในแมนบัวออวินญาตเขาล่างมันออกไปเออจากได้ฟ hmm. yeah, ah, ื Miami, yeah. yeah. big, s right. <S oh, el, ้นขึ้นมาแล้วสันโอ้บาปปุนคุณโทษนี่มีอิริได้ว่าสันนรกสวรรค์นี่เห็นคักได้วันเออขั้นโปไยโไรยทาบุญอย่างไยหนาได้หรอสันปโลกไพ่ภาคนาเนี่ย รักกันก็รักบู้ใดโกงกันก็โกงบู้ใดเส้นขอกันกินกขาไู้ใดผู้ใดทําบุญอะไรใดผู้นั้นจะได้รับบุญอนันต์ผมผู้ใดทําบุญไหวไปขอกินเขาเขาเขาเขาก็ให้กินยุกเส้นหูจักกันดูแต่ไปจับมันมันบวมเนของเจ้าของมันห่อนพรปั่นไฟนพราะปั่นจับทานไฟเนโกเลียงบาเพราะนั้นให้ทําบุญทําท่านผู้ใดผู้นัตายแล้วบ๊ศูนย์้เสนบาท่านแะโกเลียงกันด้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 ทำไม่เจอ ว, วัวบัวเตือนเ อ, าเ อ, าอ้าเออตือนได้มาสินเนี่ยเตือนแล้วไม่ฟังไปทหารเอาไปลงเออตามกรรมของตะแก่เนี่ยตาลุงเนี่ยได้ทําเอาไว้ไปจัดการตามหน้าที่มาสินเนี่ยทหารก็ขี่ตะแล่ได้กับผ้าไปแล้วหน่อยจะไมนไ ป, ไปน่าลกหลุมใดก็โบหูเราหน่อไปเผาก็บกบอบอกกาวอีกมาฮันเล็กน้อยบักนึงบเหันนี่อายุยี่สิบกว่าปีกอสออยู่ไปยุ่ในหลังเท่าเน่ย ฟังพญายมบอกมัดคู่คู่ความันอะไรอย่างี้มัดคู่ขวามที่พยายมบอกกับผู้เฒ่านั่นไปบอกกับคุณลุงแต่ในพญ่์หมอนี่ก็บอกว่าท่านท่านครับอะไท่านพยายมครับที่ท่านเตือนคนแก่เนี่ใช่ครับท่านมีจดหมายไปบอกแต่ผมเนียังไม่มีครับจดหมายจะมาบอกผมอย่างนั้นเพราะผมอายุเพียงยี่สบกว่าปีครับก็เอาผมมาแล้วอาารย์เนี่ย ไม่ได้บอกผมเลยเนมภรษาเหรือพญยมว่าการเตือนไม่ใช่เตือนอย่างเดียวนะมีวิธีการเตือนหลายอย่างเพื่อนของแกอายุท่า่ที่ตายวนะันชื่อใดนั้นนะเป็นเพื่อนกันครับอายุเพียงยี่สิบเอ็ดปีครับอา้าวทำไมเขาตายเขาเป็นไตาวายครับนั่นแหละทาไมเธอไม่คิดว่าขนาดเพื่อนอายุรุนราวคราวเดียวกันก็นยังตายทำไมไม่คิดถึงความตายของตนเองบ้าง